ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทายาลัยศรีประทุมในวันนี้จะได้พูดเรื่องโมคคัละานะสูตรคือประสูตรที่ว่าด้วยระวังกิสากล่าวสรรเสริญพระโมคคัละานะ ตอนนั้นพระบุมีพระเจ้าประทับอยู่ที่กาลาสิลาในภูเขาอิสิคิดิกรุงราชครืดพร้อมด้วยพระสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปล้วนเป็นพระทหารทั้งหมดพระโมกขลานากำลังตรวจสอบพิจารณาดูสภาวะทางจิตของพระทหารเหล่านั้นทั้งหมด ก็ได้เห็นว่าเป็นจิติหาอุปธิไม่ได้คำว่าอุปธิเป็นชื่อของธรรมะกลุ่มทุกข์สัต์กับกลุ่มของสมุทัยสัตว์ราะเช่นกิเลสูปัิก็หมายถึงกิเลสที่มีชื่อต่างๆ จะเป็นกิเลส ท, ที่มีชื่ออย่างไรก็ได้ก็อยู่ในกลุ่มของกิเลสสุเปชิแต่ในขณะเดียวกันพระอาจารย์รุ่นหลังก็มารวบรวมไว้แต่ชุดหนึ่งซึ่งดูแล้วก็ซ้ำกับโลภะโทสะโมหะก็ท่านเรียกว่ากิเลสสิบแต่ว่าชื่อกิเลสนั้นก็มีชื่อเรียกเยอะ เรียกว่าตัณหาก็ได้เรียกว่าอุปาทานก็ได้เรียกาอาสวะก็ได้โยกะก็ได้กันถะก็ได้อาสวะก็ได้ก็เรียกเยอะพระพันทั้งหลายก็ไม่มีกิเลสอุปาชิคือกิเลสที่มีอยู่ภายในในขณะเดียกวกันกิเลสไออุปาชิเนี่ยหมายถึงกรรมที่บุคคลก็ทําเอาไว้ก็เรียกว่ากรรมมูปาิ อุปติศคือกรรมคือประหารตั้งหลายนั้นจะละกรรมตั้งแต่ขณะที่ท่านบรรลุมรรคผลเป็นประหัารไปแล้วแต่กรรมในอดีตซึ่งจะเกิดขึ้นแก่ร่างกายของท่านในชาติปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิบากขันแต่ทหากว่าก็ตามมาทันก็ต้องยอมรับผลกรรมเหล่านั้นก็เป็นไปตามผลกรรมเหล่านั้น แม้แต่พระมหาโมคคลานะเองท่านก่อนิพานที่กาลาสิลานี่แหละก็ถูกกองโจนทุกตีจนกระดูกแตกแหลกเหลวไปก็เป็นวิบากกรรมซึ่งเกิดขึ้นจากท่านเคยทุบตีมารดาบิดาของท่านแต่ก็ไม่ถึงกับตายนะฮะแต่กระบาป ก, กรรมที่ทุบตีมารดาบิดามันก็แรง ก็ตามมาทันท่านจนต้องถูกทุกตีจนในที่สุดก็เขาเรียกว่าใช้คาถาประสาทกายไปคว้าพระพุทธเจ้าที่พระเวรวันแล้วขอธุลาไป น, านิพพานก่อนที่จะกลับไปนิพพานที่อิสิกิริอิสิกิริเป็นชื่อภูเขานะ ตัวถ้ำนี่ชื่อว่ากาลสิลาภูเขาในชื่ว่ากาลสิลาคือรรมชื่ออิสิกิลิอิสิกิลิแปลว่ากลืนหรือสีก็ตามตำนานท่านเล่าว่าพระประเจกับพุทธเจ้าห้าร้อยรูปเลื่อนลอยมาจากนภากาศแล้วก็เข้าไปสู่ถ้ำ การศิลาแล้วก็นิพพานเนะี่ยทีนั้นไอชาวบ้านเห็นตอนที่พระปัเจกับพุทธเจ้าเข้าไปแต่ก็ไม่เห็นตอนนิพพานเพียงแต่เห็นว่าท่านหายไปคือไม่เห็นออกมาก็ไปเข้าใจว่าภูเขากินดุสีคือถ้ำกินดสีก็เรียกว่าอีสีคิลิก็คือถ้ำกลืนดุสีไปหมดล่ะ หารอยรูปผลการที่พระมหาโมคคลานะได้ตรวจสอบตะบอว่าทางจิตของพระอรหันต์ทั้งหลายท่านบอกว่าพิจารณาจิตอันหลุดพ้นพิเศษจากอุปธิอันหาอุปธิไม่ได้ของพิสุเหล่านั้นด้วยจิตอยู่ คือกรรมเนี่ยกรรมอุปฏีิของพระหันก็ไม่มีจากขณะที่ท่านบรรลุมรควุนเป็นพระหันไปแต่กรรมในอดีตตาข้ตามันถันเขก็ยังให้ผลได้อยู่นะฮะทั้งดีและทั้งไม่ดีในขณะเดียวกันก็หมายถึงขันธูปชี้อุปชี้คือขันธ์ขันธ์ที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่นี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญานี่แหละ แต่พึงเข้าใจว่ารูปเป็นธนาสัญญาสังขารบิณ ญ, ญาณมันก็หมดแล้วเหมือนกันหมายความว่ามันก็เป็นทั้งทุกข์เป็นทั้งสมุทัยเป็นทั้งนิโรธแล้วก็เป็นทั้งมรรคอยู่ในขันทั้งห้าประการนั่นแหละเพียงแต่ว่าพอท่านบรรลุมรรคผลนิพพานท่านไม่ยึดมั่นถึงมั่นในขันทั้งห้าท่านั้นเองแต่ขันห้ายังมีอยู่ตรเท่าที่ยังไม่นิพพาน ท่านไม่ไรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวผครองเป็นตัวตนของเราเท่านั้นประการต่อไปก็คือสังขารูประทิปในที่นี้ก็เน้นถึงพวกอกุศลแธรรมทั้งหลายแล้วก็สังขารทั้งมีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองทั้งหลายคือหมายความเมกิเลสประเภทอกุศลทั้งหลายเนี่ย มันไม่มีอยู่ภายในใจพระานแต่ว่าสังขารที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองนั้นที่จริงก็คือรู ป, ปรขันธ์อยู่แล้วก็วอยู่ในพวกขันธูปะชิตอยู่แล้วพระานท่านก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้นทีนี้เมื่อพระหมหาโมคลานะักามพิจารณาจิต หลุดพ้นพิเศษจากกิเลสอนาวปฏิไม่ได้ของพิสูจ์เหล่านั้นด้วยจิตของตนอยู่เนี่ยท่านบางกิษาก็มีความคิดอย่างนี้ว่าพระพุทธมีรภาคเจ้านี่แลประทับชี่กาลสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิกกรุงราชคฤห์เอาก็่องประเด็นอีกแล้วคือว่ากาลสิลาเป็นชื่อเป็นชื่อถ้ำนะฮะ สี่กิลิเป็นชื่อภูเขาแต่ว่าฤาษีมันก็เข้าไปในภูเขาในเรื่องเรื่องนั้นท่านก็ไม่ได้พูดถึงการาศิลาแต่พูดถึงภูเขาภูเขากลืนฤาษีไปฤาษีก็เข้าเปน็นนิพพานในธรรมพร้อมด้วยภิกษุมูใหญ่อยู่ประมาณห้าร้อยรูปล้วนก็เป็นพระหานทั้งหมด พระหมหาโมคลานะเองก็ตามพิจารณาจิตที่หลุดพ้นจากอิเลสอาณาอุปธิไม่ได้ของภิกษุเหล่านั้นด้วยจิตอยู่อยากกนั้นเลยเราก็ควรจะกล่าวสรนเสริญพระมหาโมคลานะแต่ท่านก็ทําเหมือนเดิมนะฮะลุกขึ้นจากอัสนะทำผ้าห่มเียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญเชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ได้กราลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนื้อความนี้ย่อมแจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคดเนื้อความนี้ย่อมแจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์ก็หมายความมาขอประธานพุทธานอนุญาตเพื่อจะกล่าวสรรเสริญพระมหมามคขลานะต่อพระพักของพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่ามกลางพระสงฆ์ห้ารอยรูป เป็นมัญญาต์นะครับคือตำเนียมของพระที่เราถือประพฤติปฏิบัติจริงๆเช่นสมมติว่าไปสวดมนต์ฉันเพนที่บ้านแต่การคุยกับญาติโยมนั้นเป็นเรื่องของพระที่เป็นประธานคือเป็นหัวหน้าไปพระรูปอื่นจะไห้คุยนั้นคือสถานการณ์ปกติเว้นว้แต่ญาติโยมมาสอบถาม ท่านที่นั่งข้างปลายก็ไม่ขึ้นมาถามข้างบนถามข้างบนก็เป็นตะโกนไปก็ถามองค์ที่เป็นอยู่ปลายแถวท่านก็พูดได้ถ้าเขาถามนะฮะแต่ถ้าจะประรขึ้นเองพูด้นเองเนี่ยเป็นกิริยาชีพไม่สมควรเพราะในกรณีนี้ก็เหมือนกันคือพระหารท่านมาประชุมกันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแต่ก็นิ่งๆจะโพ้งขึ้นมา แม้แต่กล่าวสรรเสริญพระอรหันต์ก็เถอะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรเพรา ะ, ะนั่นก็ขอประธานพุทธานหญาย่แล้วก็กล่าวสรรเสริญแต่ต้องกางลองสังเกตว่าเรื่องเหล่านี้มีเรื่องพระอรหันต์อยู่เยอะแล้วก็ตั้งแต่พระัญญาโกนัญญามานะคือพระหารระดับผู้ใหญ่ด้วย เวลาพูดถึงคุณธรรมของท่านเหล่านี้ก็คุณธรรมค่อนข้างละเอียดแล้วก็สูงแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีกิเลสเหล่านี้อยู่ด้วยแล้วก็มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ด้วยระดับหนึ่งบอกว่าภาษาวกตั้งหลายผู้สมณไรวิชาคำว่าสาวกะอิสาวกะหรือสาวกแปลว่าผู้ฟังสังคมไทยรเราเราเป็นอะไรนี่ยชายเลยเท เห็นว่าพวกแฟนดาราอะไรเขาแฟงแฝนนักร้องอะไรเนี่ยก็เรียกว่าสาวกของนักร้องคนนั้นคนนี้คนน้นคือมันใช้คําไม่สมควรพระการนี้ในแง่ของความจริงพระสงฆ์ปัจจุบันก็ไปขัดใจเพราะคําว่าสาวกนั้นแปลว่าผู้ฟังจากพระพักของพระพุทธเจ้าเพราะเราจึงมีปัจจิมสาวกไง หรท่านสุภะทะปาริพันธ์โชคที่บวชฟังเทศจากปรากรจากพระโอษของพระพุทธเจ้าเป็นคนสุดท้ายแล้วออกบวชแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระหันรูปสุดท้ายในสมัยที่พระเจ้ายัางทรงพระชนมอยู่วันกร็รุ่นหลังเราก็ไม่เดียวเรี้ยสาวกแต่ว่าในเอกสารมันก็สับสนคือมีเรียกบ้างไม่เรียกบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดา แต่ด้วยด้วยความเคารพเนี่ยเราจะไม่กล้าเรียกเราเป็นสาวกเพราะเราเพราะเราไม่ได้ฟังมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์เราศึกษาในลักษณะสืบสารคือต่อเนื่องกันมาจากคนในอดีตก็เรียกว่าภิกษุเรียกว่าสมณะเรียกว่าบรรพชิตเรียกว่าพุทธบริษัท มันก็เรียกอะไรได้เยอะนะก็มีชื่อเรียกได้เยอะก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเรียกสาวกก็มีความหมายเท่ากันเจนว่าเรียกสังฆะคือเรียกว่าพระสงฆ์เนี่ยแต่ถ้าภาษาเรียกบางทีก็เรียกรูปเดียวภาษาวินัยก็เรียกสี่รูปภาษาธรรมะก็เรียกรูปเดียวได้คำว่าไตรวิชาคือวิชาสามประการ เป็นตัวผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากการบำเพ็ญเพียรจนกระทําให้สมบูรณ์ในอริยมรรคมีองค์แปประการแล้วท่านก็ได้บรรลุญาณสามประการญาณก็คือความรู้ที่เกิดผุดขึ้นท่ามกลางจิตที่มีความสงบยิ่งคือจิตก่อนหน้านั้นมันก็เหลืออยู่เฉภาะอุเบกขากเอกกตา เราก็ยกจิตขึ้นพิจารณาแต่ตอนนี้ยกจิตขึ้นสอบถามจิตเราเคยเกิดมาหรือไม่หรือว่าเราไม่เคยเกิดถ้าเราเกิดเราเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นยังไงมีสุขมีทุกข์อย่างไรจิตก็ตอบจิตก็ทำให้ระลึกย้อนอดีตไปไกลมากเรียกว่าบุเพนบุเพนในวารสารติญาณคือพระปีชายานที่ทำให้ระลึกชาติได้ ทั้งของตนและของคนอื่นนะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยพบพระอาหารหันต์ที่แสดงอดีตชาติของคนอื่นพบก็เฉพาะพระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นเรื่องของพระพุทธญาติที่ทรงสร้างบารมีมาต่างกันนะนะฮะคือพระนี่ก็ท่านหนึ่งในสี่ของการาเวลาในใช้เวลาหนึ่งในสี่ของการมาเป็นเพียน เพื่อการศัตรูเป็นพระพุทธเจา้าเพราะในสมถภาพในด้านการใช้ญาณ น, นี่ยังไงมันก็ไม่เท่าเทียมกันแต่ว่าความบริสุทธิ์จากอาสวะกิเลสเนี่เหมือนกันในขณะเดียวกันก็ต่างกันที่ท่านละวาสนาไม่ได้หรือวาสนาที่เคยติดจิตใจลึกๆอยู่ข้างในเนี่ย เราอาจจะเรียกปัจจุบันว่าปุ ก, กลิกภาพกริยาการท่าทางแต่เย็นยกตัวอย่างพระนันทพระอนุชาของพระพุทธเจ้านีอาการกริยาท่าทางการเยื่องกรายอ ะ, รอะไรต่างๆของท่านนิสชนายิ่งใหญ่หน้าทึ่งจนพระลงว่าเป็นพระพุทธเจ้าหลายครั้งเพราะว่าท่านก็ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าแค่สี่นิ้วแต่นั่นเอง ก็ดูกันไม่ออกทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าในชาติปางก่อนเนี่ยท่านเคยเป็นพระยาราชสีมาก่อนตอนลึกๆเนี่ยมันเป็นวาสนาของราชสีที่มีลีลาเยื่งกลายส ง, ง่า ง, งามแสดงความยิ่งใหญ่แสดงความเป็นเจ้าป่าออกมาก็รับงย่องจากสันเสริญจากพระพุทธเจ้าวา่าเป็นผู้เลิศทางการสํารวมอินทรีย์ บวิชาข้อ น, นี้มันไปบ่งชี้ถึงความมีอยู่ของสังสารวัตรความมีอยู่ของภพชาติที่มีความป ร, ณประณีตก็ในปราการารบางเรื่องในชีวิตคนบางคนยง่องก่อนการฝังการสัมภาษณ์อะไรหมอรักเรขานิเทศอะไรเนีนะที่คุณหมอดูฟันทง ปรากฏว่าเขาเริ่มรู้วิชาตาคนมาโดยเทวดามาบอกแต่เดียก็หมอยองนะฮะหมอยองนี่รู้เองนี่กัน เ, เทวดาจะบอกดวงหน้าแต่เป็นคนสร้างบา ร, รมีมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะว่าเปิดปั๊บนี่มันทะลุปลุปลงเลยอย่างอตามาในโหราศาสตร์ไม่เข้าใจเลยเทวดาธรรมะเราจับปั๊บนี่เราเข้าใจ พวกปรัชญาอะไรต่ะางๆเนี่ยปรัชญาตาวันตกอะไรก็ไม่รู้ของใครก็ไม่รู้น ะ, ะอ่เปิดปั๊บเราอ่านิบายไดเย้เราอ่านและเร า, าทีบายได้แต่พระโพธสตร์อ่านไม่ได้มึนเลยง่วงนอนอ่านไม่เข้าใจคือแสดงว่าพบชาติเนี่ยเราไม่เคยสนใจเรื่องนี้มาเลยก็เป็นเรื่องแปลกนะฮะที่จริงก็เคยเคยอ่านแต่อ่านได้สงสาหน้าก็เลิกแล้วไม่มีอธิบาท ในเรื่องของโหราศาสตร์ทั้งหลายอ น, นี้ก็คือคือเราก็ก็ว่าทำให้แก่เข้าใจภพชาตินะเพราะว่าเทวดาที่มาบอกนั้นก็มาเห็นกันเลยแล้วก็มีเขาด้วยแล้วก็ตรงด้วยเพราะมันก็เกิดความเชื่อมั่นสําหรับเขาเราจะถือว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวหรือไม่ส่วนตัวก็ไม่รู้แแต่ว่าเขามีประสบการณ์ แล้วเขาพิสูจน์ได้ด้วยการถ่ายถูกก็เป็นเรื่องของเขานะเราก็ไปค้านไม่ได้เพราะเราก็ไม่มีคุณสมบัติเหล่านั้นนี่มันที่จริงมันแสดงถึงภพชาติว่ายังมีสัตว์โลกชนิดอื่นที่มันต่างจากเราและอาจจะอยู่ในมิติอื่นๆในลักษณะของโลกซ้อนโลกเพราะประสบการณ์ที่เกี่ยวกับโลกซ้อนโลกเนี่ยมันมีเยอะมาก ที่คนเขามีประสบการณ์แล้วเขามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยสแสดงว่ามิติมันก็ซ้อนกันอยู่ในโลกเนี่ยหรือตลอดถึงแหลมอะไรชื่อชื่ อ, ม อ, ม อ, มอเมเิกาอะไรอะไรนี่นที่ว่าเครื่องบินหายไปเป็นลำลำเรือรบหายไปเป็นลำลำเนี่ยก็าหายไปไหนก็อยู่ก็แสดงเข้าสู่มิติอื่นเรื่องจะต้องศึกษาคนา้นคว้า วันก่อนีนมีญาติโยมมาจากโคราชก็ไปขอพระบรมสารริกธาตุมาจากโยมคนหนึ่งแต่ก็บรรจุไอ้ตลับเนี่ยฮะตลับองค์ละองค์องค์ละองค์แต่มันใหญ่มากใหญ่คล้ายๆกับลูกไม้สักอย่างหนึ่งมันไม่ถึงกับพุชารหรอกนะแต่ว่ามายความพุทาพุชาโบราณเล็กๆอ่ะ ก็เล็กกว่านั้นแต่ว่าก็โตกว่สมควรโตกว่าเม็ถั่วเขียวก็ไม่ใช่โตโตโตกว่าเม็ถั่วก็แล้วกันก็ยังนึกยังนึกพึ่งอยู่นะแล้วก็ถามเขาว่ามาได้ยังไงต้องบอกว่าท่านเสด็จมาเองเราก็ไปคาดไม่ได้มเป็นสบการณ์ของเขาแต่เราก็เคยมีความรู้เรื่องพระธาตุเสด็จ เราเคยเห็นอย่างน้อยที่สุดพระรมสาริกธาตุที่อันเชิญมาจากพระมาราชวังหรือขอพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคเชิญมาบัลลิสถานที่ปริมุนทนท้องสนามหลวงในการจัดงานสัปดาส่งเสริมเนะี่ยแต่ตอน แ, นกแรกๆเนี่ยมาเป็นเป็นเป็นคนไปไปรับเองไปรับไปส่งทุกครั้งนะั่นเองพนการต่อมาเนี่ที่จริงตอนนั้นมีมีสามองค์ตอนนั้นเองตอนนี้ท่านมีมาแปดองค์ เานั้นเราก็ข้อผูกพันเราก็แค่สามองค์แต่นั้น เ, งเองเรนนี้ก็เป็นหน้าที่ของกทมทำหน้าที่รับส่งเราก็ไม่ต้องไปรับส่งแล้วแต่นี่มันเป็นเป็นเรื่องที่ทสแสดงว่ามีเรื่องเป็นนั้นมากที่เราไม่รู้เพราะสังสารวัฏในยาวนานเนี่ยมันเป็นความรู้ระดับญาณญาณของพระพุทธเจ้าพระหรันคนตั้งแต่ได้พิญญามา อาปัญญาห้ามาเนี่ยก็ระลึกชาตได้แล้วแต่ระลึกได้ไม่มากคนระลึกได้มากก็ต้องเป็นพระอาหารหันต์แต่ว่าไม่ได้มากมันก็เยอะเหลือเกินนะนับไปหวาดไม่ไหวก็ประการต่อไปก็คือจตูปปาฏิยานประปีชาญาที่ยังรู้การจุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายที่มีความแตกต่างกัน ก็การจุติการอนุบัติของสัตว์ทั้งหๆเหล่านั้นก็เป็นไปตามกรรมเขากรรมเป็นตัวจําแนกแบ่งแยกไอ้คนเลวและก็ประณีตแตกต่างกันออกไปพอสัตว์โลกนั้นก็เป็นไปตามกรรมและวิชาที่สามเนี่ยก็คืออาสวัคยานคือวิชากายา น, นี่ก็คือกันนั่นแหละนะก็จะเห็นว่าตอนพระเจ้าศัสรูทรงแสดงประตมเทศนาเนี่ยทรงใช้คำทั้งห้าคำ เรียกว่าจักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยรู้เกินที่เคยเห็นมาในการก่อนว่าอย่า ง, งานั้นางนั้นองั้นอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการเนี่ยประเดี๋ท่านผู้ฟังจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเรียกว่าวิชาแต่ว่าทำไมเรียกว่าญาณึ้นแล้วแต่ท่านจะเรียกในส่วนที่เป็นยานเนี่ยเวลาพูดถึงการบรรลุเนี่ย ท่านจะเรียกว่าญาณมันก็เหมือนกับตอนบรรลุนี่ท่านเรียกวั น, นิโรธแต่พอบรรลุแล้วท่านเรียกวั น, นิพานส่วนใหญ่เราจะเจอคำวั น, นิพานแต่ที น, นี้บางทีเนี่ยมันต่อกันไปเรียกต่อกันไปหนุนช่วยกันไปเป็นเรื่องขนาดจิตที่เร็วมากก็นับไม่ทันหรอกแต่ว่าพอเขียนเป็นตัวัสอนมันก็กินพื้นที่เยอะ เ, อเช่น นิพิทาเวลาข่าวิมุตติวิสุทธิสันตินิพานเนี่ยที่จริงมันเป็นขนาสั้นๆ น, น, นั่นเองแต่เวลาเขียนอธิบายมันก็เป็นหนังสือเล่มนัน่นหละแต่ทั้งที่มันเป็นกระบวนการทางจิตที่คนซึ่งสัมผัสนั้นพั๊เดียวมันก็ไปแล้วไปจนถึงนิพานแล้วเราเริมตีนิพิทานะคือความเบื่อหน่ายจิตที่เบื่อหน่ายเพระาะอานสักขยานี พยานในทำอสวะให้หมดไปสิ้นไปจากจิตใจอสวะก็คือกามาสาวะอสาาวะคือการพวาสาวะอสาาวะคือพบอวิชาสาวอาอสวะคืออวิชาอันนี้เรื่องใหญ่นะฮสามข้อเนะี่ยสามข้อจริงมันก็มีค่าเท่ากับตานหาสามมีโลกกฎหลงเหมือนกันนะแต่ว่าท่านเรียกตามลักษณะที่ทําปฏิกิริยาต่อจิตคือถ้าอสาาวะเนี่ยมันนอนเรื่องอยู่ข้างล่าง มันสงบอยู่ข้างล่างมันจะต้องมีแรงกับแพร่กิกิเลชเหล่านี้จึงจะเกิดขึ้นมาแต่ในนี้ไปทำลายมันเรียกว่าถอนถึงรากเง้าวของกิเลสถึงที่ล่างสุดก็คืออสวะอนุสัยโอคาโยกะกันทะแล้วก็สัญญาตอะไรเนี่ยนะเรียกเรียกกิเลสประเภทลึกๆหรือเป็นละเอียดเขาเรียกประเภทละเอียด ปกติก็เรียกรวมรวมอนุสัยกิเลสแต่ถ้าเป็นญาณเนี่ยจะเรียกว่าอาสวะทุกครั้งเพราะอะไรเพราะมันไปทำลายที่ตัวอวิชชาสวะอวิชชาสวะมันเป็นตัวรากเป็นตัวรากคือหมายความว่าอย่างอื่นมันก็เสาหมดก็ตายหมดเหมือนกับถวันที่เราถอนรากถอนรากแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นก็ได้นะรากมันไม่ติดดินมันก็เสา ตอวเอก็ตายผู้ละมรุตยูเสียได้กรรมละมรุตยูก็คือละความตายความตายนี้ก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงแก่พระปัญญวคีตอนเสด็จไปโปรดใหม่ๆที่ทรงสแสดงว่าบัดนี้เราบรรลุอมรุดตธรรมแล้วคือธรรมะที่ทำบุคคลผู้ดื่มไม่ให้ตายเป็นคำยืมมานะเป็นคายืม จากความเชื่อของลัทธิฮินดูที่บอกว่าเทวดากวนเกษียนสมุทรนะฮะพวกปราสาทต่างๆของเราในมีเยอะปราสาทเขาพระวิหารมันก็มีเรื่องแบบนี้อยู่ปราสาทที่บุรีรัมปราสาทปราสาทหลายแห่งนะฮะเทวดากวนเกษียนสมุทรเนี่ยภาพต่างๆของเราก็มีเยอะหลายแหง่งเทวดากวนเกษียนสมุทรเพื่อเกิดน้ำำําอมฤต เทวดาเลยดื่มน้ําอาฤตเทวดาจึงชื่อว่าอามรแปลว่าผู้ไม่ตายก็เป็นความเชื่อของศาสนาฮินดูเดี๋ยวของเราไม่มีใครไม่ตายนะนอกจากพระอาหารหันต์นิพพานแล้วไม่เกิดไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ว่าถ้ายังเป็นคนมีกิเลสอยู่แล้วก็ต้องตายทางนั้นเน่ยเพียงแต่ว่าอายุยืนหรืออายุสั้นคนบางค น, น, คนอายุเขาเท้าเทียบ เกี่ยวกับโลกมันก็เป็นพันพันห่นปีเราจะไปอยู่ทันได้ไงเราก็ตายแล้วตายอีกไม่รู้สักเท่าไหร่เราก็ไม่รู้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเกิดมียานอย่างรู้ขึ้นมาและเราลึกชาติคนื่นได้เราก็อาจจะรู้มันเป็นเงื่อนไขเพราะคำว่าละมรุตยูคือละความตายหมายความมาละความเกิดนั่นแหละคือไม่ต้องตายอีกต่อไป แต่ความเกิดนี่คนชอบความตายคนไม่ชอบเพราะฉะนั้นี่จะพูดให้คนกลัวมันต้องพูดถึงถึงความตายเดีย๋ยวพูดถึงความเกิดคนอยากเกิดแล้วก็อยากให้คนอื่นเกิดแล้วก็อยากทำให้คนอื่นเกิดแต่ว่าความตายเนี่ยคนที่เกิดมาแล้วไม่มีใครอยากตายหรอก จิตเป็นผิดปกติขึ้นไปช่วระยะเวลาสั้นๆนี่มีการค่าตัวตาก็มีอีกเรื่องหนึ่งย่อมนั่งห้อมล้อมพระมุนีพูดถึงฝั่งแห่งทุกข์อันนี้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรประชาสัมพันธ์นเป็นการประชาสัมพันธ์สถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่ถ้ำกาลสิลาที่ปุขาวิสิคริ พุทเจ้าก็เสด็จมาโปรดพระองค์ุริมานมาเยี่ยมมาเยี่ยมนะฮะมาเยี่ยมพระองค์ุริมานก็เป็นภาพแต่ตัวการที่สุดก็คือพูดถึงฝั่งแห่งทุกข์หมายความมาพ้นจากความทุกข์เป็นการพูดคนเราคล้ายๆกับแหวกว่ายอยู่ในกระแสของแม่น้ําใหญ่คนบางคนก็ตกลงไปในน้ําแล้วก็จมหายไปเลย อาเชนเทวทัาน์อย่างนี้ตกนรกอเบจีมานรกก็จมหายไปเลยเมื่อไรก็ไม่รู้จะโผล่ขึ้นมาได้คนบางพวกจมลงไปนานแล้วก็โผล่ขึ้นมาได้แล้วก็จมลงไปอีกแล้วก็โผล่ขึ้นมาได้อีกคนบางคนก็ประคองตัวเองให้อยู่ได้อดี๋ยด น, นนะะดนขึ้นแรงๆนะโดนขึ้นแรงก็จมลงไปได้เหมือนกัน คนบางพวกก็บ่ายหน้าเข้าฝั่งมองเข้าหาฝั่งบางพวกก็แวกไหว้เข้าไปจนถึงฝั่งบางพวกก็ขึ้นฝั่งบางพวกก็ยืนบนตะล่งนะเพราะงั้นเราจะเห็นว่าพวกรทหารพวกที่ขึ้นถึงฝั่งคือพ้นจากความทุกข์ กำมะขางแห่งทะเลทุกเนี่ยหมายความว่าขึ้นอยู่บนฝั่งของทะเลทุกคือสังสารวัตรแล้วก็บอกว่าพระโมคคลานะผู้มีฤทธิ์มากคือพระโมคคลลานะเป็นอักษะบกข่ายซ้ายที่มีฤทธิ์มีอนุภาพมากปัญหาใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลตะเกียวก็ต้องใช้อิทธิฤทธิ์แล้วก็ต้องใช้พระโมคคลานะไป พรเจ้ามีถ้าเทียบกับเรื่องเรามาเกีร น, นะฮะเราลองสังเกตว่านะคนก็คนก็มีคุณภาพอะมาอยู่กับพระนารายมาอยู่กับพระรามพระรามมีเสนาสิบแปดมงกุฎเป็นมือชมังสิบแปดคนเนี่ยแต่เวลาพระรามใช้จริงๆคือใช้ทีละคนอย่างมากก็สองนะฮะสองที่ใช้คู่ก็หานุมานกับสุครีหนากรหลานหรือไปทำงานด้วยกันเนี่ย แต่ก็ส่วนใหญ่ก็คืออนุมวงานชวนสุคริรไปกับไปหลานคือตัวเองสามารถบงการได้ถ้าไม่งั้นก็อาจจะยกทัพไปโดยพระรามนำอันนี้ก็ไปกันทั้งบดนี่ก็แสดงให้เห็นว่าแต่การที่มีคนอยู่ผู้ช่วยเหลืออยู่ใกล้ชิดก็ทำให้ประสบความสำเร็จพระพุทธเจ้ามี มือนักปราดอย่างภาษาดิบยอย่างพระอ น, นุมีมือปราบอย่างพระโมคคัลลานะภาษาคตะอะไ ร, ต, ะไรต่างๆก็มีหลายรูปนะจริงๆก็มีหลายรูปก็มีฤทธิ์มีอนุภาพมากสามารถแสดงฤทธิ์โดยวิจิตพิสดารย่อมสอดส่องพระสาวกเหล่านั้นด้วยจิต ท่านรู้นะฮนี่คือทําให้แสดงว่าพระวังคีสะเวลานั้นบรรลุมรรคผลเป็นพรานแล้วเพราะว่าจิตของท่านไปรู้จิตของพระโมคคัลลาน ะ, าะก็กาลังดูจิตของพระหันห้าร้อยรูปแล้วก็เห็นว่าแต่ละรูปเนี่ยปราศจากอสวากิเลสคือปัญหาการดูจิตอย่างนี้ที่จริงคนกังนากลัวนะฮะคือท่านเล่าว่าพระอาจารย์มั่นเนี่ย แต่ก่อนเนี่ยท่านชอบเตือ น, ท, นท่านรู้จิตคนและท่านเตือนความคิดของคนพอเตือนความคิดเนี่ยพระเราคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างเราก็คุมไม่ได้หรอกทางไม่พระกลัวเวลาท่านอาจารย์มั่นพูดในสุดพระเลยหนีไม่กล้าอยู่ร่วมกับท่านท่านก็เห็นว่ามันเป็นอันตรายแกคนเหล่านั้นก็เลย ไม่สอนละไม่สอนในวิธีนั้นวาระการกานะรรู้จิตคนรู้รู้สภาพจิตพระพุทธเจ้าท่านรู้ตลอดแต่ไม่ท่านไม่รับสั่งแต่นั้นเองเป็นวัยแต่ว่ามีในบางแกนีที่ทรงรู้แล้วก็ทรงมีอุบายวิธีจชนทรงรู้เห็นว่าพระชุดเนี้ยมันจะต้องไปบำเพ็ญเพียรด้วยใช้กรรมฐานข้อ น, นี้แล้วไปอยู่ที่นี้จึงจะบรรลุมรรคผลได้ บ า, บางครั้งบาข่าวก็ส่งชัยที่จริงก็เรื่องไม่เคยใหญ่โตอะไรแต่ไรแล้วแต่ว่าเป็นเหตุทรงปรารภแล้วก็ไล่ไล่พระรูปนั้นไปอยู่ตรงนั้นไม่ใช่พระรูปนั้นก็พระกลุ่มนั้นไปอยู่ตรงนั้นบางทีท่านกลัวพระเจ้าก็ไล่กลับไปให้ไปอยู่ตรงนั้นเพราะทรงรู้ว่าพระชุดนี้จะบรรลุมรรคผลได้ก็ต้องอยู่ตรงนั้นมันเป็นเรื่องบารมี ที่คนเหล่านั้นสร้างสมเอาไว้คือเรื่องการละเทศะอะไรแต่ไรต่างๆนี่จริงๆมันมีความสลับซับซ้อนอยู่นะครทำไมพระพุทธเจ้าตอนสัสรุจึงต้องเปลี่ยนสถานที่ต้องเลือกสถานที่ตอนมาเป็นทุกขิยาก็ไปอยู่ในอีกที่นะ่งแต่ว่าตอนที่จะสัสรูก็ส่งไปเลือกอีกที่หนะึ่ง เขาเรียกว่ามันสัปพายะคือให้ความสะดวกสบายแก่แก่พระองค์นะฮะมันเกื้อกูลต่อการปฏิบัติเจ้าเสนานิคมเนี่ยที่พระองค์จะจะรู้เพราะมันใกล้ริมฝั่งแม่น้ำในรันชลาสะดวกต่อการดื่มน้ำสะดวกต่อการส่งน้ำสะดวกต่อการ ชําระร่างกายอะไรตรา่างๆแล้วก็ไม่ไกลบ้านคนจนเกินไปเพรา ะ, ะนั้นทให้กลางวันเนี่คนไม่พลุกพลานกลางคืนไม่มีเสียงรบกวนเพราะว่าบ้านห่างไปจนไม่ถึงกันได้ยินก็ทําให้สะดวกต่อการสรัตรุการบำเพ็ญเพียรเพื่อ ส, สัตรุแล้วก็บอกว่า ตามพิจารณาจิตอนุพ้นพิเศษแล้วอันหาอุปาิิมิได้ของสาวกเหล่านั้นอยู่ภาษาวกทั้งหลายย่อมนั่งห้อมล้อมรักโคดมผู้เป็นมุนีผู้ซึ่งสมบูรณ์ด้วยพระคุณทั้งปวงอย่างนี้เพื่อถึงฝ่งแห่งทุกข์ผู้ประกอบด้วยพระคุณอันเลกกประการดังนี้นี่ก็เป็นการกล่าวสรรเสริญเราจะเห็นว่าก็มีซ้อนอยู่สองตอน ประเด็นมันก็ซ้าอยู่สองตอนแต่ว่าการกระทำของท่านมีลักษณะเป็นรายงานนะฮะคือหมายความว่าคุณสมบัติเหล่านั้นมันก็มีอยู่ในพระเหล่านั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันกลับมองกลับมาหาที่ตัวท่านเองคือตัวพระวังคีสะว่าก็ตําเป็นพระหัน พอสามารถรู้สภาวะทางจิตของคนเหล่านั้นได้แม้แต่จิตของพระโมคคัลลานะท่านก็รู้ว่าขนาดนั้นพระโมคคัลลานะทำอะไรอันนี้เป็นความอัศจรรย์ของผลจากการประพฤติปฏิบัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระมหาเทระนี่เองนี่ผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังว่าคราวหนึ่งมันมีพระอวด คืออวดในทพันเข้าใจผิดนะฮะคือการมาเป็นเพียนพอมาถึงจุดหนึ่งมันเกิดอย่างหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกอธิมานะไม่ใช่อธิมานะนะอธิมานะเป็นความสัมพันธ์ผิดเป็นความเข้าใจผิดจิตมันสงบไม่มีกิเลสเลยแม้แต่มีการด้วยุยั่ว ย, วยวนมาจากข้างนอกแต่ตามปกติเนี่ยคือพระเราไม่เจอหรอกเหตการณ์เหล่านี้ มันดูเดินมาจากข้านอกท่านก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่าเมืันคงไม่แรงไง น, นะคงไม่แรงพอที่จะจิตมันจะเกิดเชื่อมได้ท่านก็อยู่อย่างนี้มาตลอดท่านก็เข้าใจว่าท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระหันแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเป็นพระหันั่นคืออะไรแต่เข้าใจว่าสิ่งที่ท่านเป็นเนี่ยก็คือความเป็นพระหันต้นเด็จพระพุทธโคสาจารย์จเจริญ ญาณาวารญาณาวโรญาณวระมหาหะเถระวัดจาวาดวเทพศรินทราวัดเนีาา่ยท่าพเป็เจ้าคณะบุญทุนท่านเห็นท่านรู้ว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่บรรลุแต่ว่าพิสูจนไม่ได้พิสูจไม่ได้ก็เลยนิบนพระจันมั่นลงมาจากภาคอีสานแล้วก็เล่าถึงเรื่องราวให้ทา พระอาจารย์มั่นไปที่หลังนะฮะก็าต้องพักก็ตึกๆชั้นล่างพระองค์โน้นท่านพักอยู่ตึกๆชั้นบนถึงหลังเดียวกันนะฮะทีนี้ตอนอาจารย์มั่นไปเนี่ยเขาหลับแล้วอาจารย์มั่นก็เข้าสมาธิเรียบร้อยสองน้ําอะไรเรียบร้อยแล้วก็เข้าสมาธิตามดูจิตดูจิตตลอดทุกเวลา อ้อยังไม่ถึงกับหลับนะก่อนจะหลับในจิตท่านนิ่งมากเลยสงบมากเย็นมากไม่มีอะไรเลยไม่มีข้าวไม่มีแววอะไรเลยเมื่อจิตมันถูกกดไว้แล้วพาถึงจุดหนึ่งท่านก็หลับพอหลับก็ฝันเลยฝันถึงลูกถึงเมียถึงบ้านถึงช่องกบไปสนุกแบบชาวบ้านยทหารอาจารย์มั่นท่านก็นั่งสมาธิอยู่จนตลอด คุณเช้าท่านก็ไปบินธบาตกลับมาก็นั่งฉันพระองค์นั้นเพิ่งลงมาอาจารย์มั่นก็พระองค์นี้ไปบินธบาตกลับมาอาจารย์มั่นก็ฉันเสร็จแล้วก็นั่งรอองค์นี้ไปเห็นก็กราบเข้าไปกราบอาจารย์มันาาม่นก็บอกเออพระอระหรัน นันฝ really nice. like ันถ so ึงลูกถึงเมียสนุกเพลินไปเลยนะตกใจใหญ่เลยเพานี้ฝันเขาไม่ได้เลยครับพระหันไม่ฝันด่าคือการฝันเนี่ยพระโสดาบันยังไม่ฝันเลยนะฮะคือคนเราเนี่ยคนเราแต่ละคนเนี่ยนะถ้าตั้งสติให้ดีเนี่ยนอนจะมีสตินอนภาวนาจะนอนภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยพโธไปเรื่อยเนี่ย แล้วก็หลับไปโดยพุโทโธหลับยังมีสติจะไม่ขวัญในทํานองเลวร้ายไม่ต้องกล่าวถึงภรยาบุคคลหรอกท่านงั้นก็ดีนะฮะทา่าัตงนั้นก็ดีเพราะพอท่านรู้ว่าไม่ใช่แล้วก็ท่านก็ปรับเนื้อปรับตัวใหม่ลงมือประพฤติปฏิบัติใหม่ก็เป็นยังไงก็ไม่ทราบที่หลังก็หายไปนี่ก็แสดงถึงว่าในแวดวงพระอาหารหันต์เนี่ยเป็นธรรมดาของท่านะ แว่าธรรมดาเหล่านี้พูดกับชาวบ้านไม่ได้ผู้กับชาวบ้านน่ะก็ยุ่งองปเดี๋ยวมันก็มาเป็นหลวงพ่อขลังตีหวยตีเบอร์ตีหวยกันอุตลุดเลยบายหวยกันอุตลุดพูดอะไรก็ตีเป็นเลขหมดเลยมันมั น, ม, นมันเปเรื่องที่คล้ายๆทำไมไมบอกบอกไม่ได้ผู้เหล่านี้บอกไม่ได้ครับหมายความว่าถ้าบอก คนที่เรื่อมใสยอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องบอกเขาก็เรื่อมใสยอยู่แล้วทีนี้คนที่ยังไม่เริ่อมใสเนี่ยเมื่อบอกเนี่ยส่วนหนึ่งจะเชื่อก็จะเกิดศรัทธาเรื่อมใสมากยิ่งขึ้นส่วนหนึ่งไม่เชื่อก็จะด่าว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยเพื่อปกป้องคนกลุ่มที่สามเนี่ยจึงก็ห้ามบอกเป็นน่รารุกร้าวต่อคนที่จริงก็นอกศาสนานะถ้าไม่เชื่อเนี่ยจริงแลคนนอกศาสนา แต่ว่าศาสนามันเป็นผู้อนุเคราะห์โลกศาสนาพุทธไม่ใช่อนุเคราะห์เฉพาะชาวพุทธแต่อนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพราะฉั้นเราก็จะเห็นถึงว่าอะไรก็ตามที่เรามองเฉพาะมุมนี่มันเป็นไปไม่ได้เมืแ่อบบก่อนฟังเขาวิเคราะห์เรื่องครูใช้วิธีมีเพศสัมพันธ์กับนักศึกษาโดยขอเกรด บ้างขอสตางบ้างอะไรแต่อย่างต่างเนี่ยคือในรายละเอียดมาชักชอบอาจารย์ผู้หญิงจะธรรมศาสตร์ก็เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่เดียว์่ะพูดได้คมคือแกบอกว่ามันจะหาข้อยุติง่ายๆไม่ได้หรอกปัญหาเรื่องนี้มันเริ่มจากอาจารย์หรือเริ่มจากเด็กแต่วันที่อาจจะเริ่มจากเด็กก็ได้นะก็สะแสดงว่าท่านก็เป็นผู้ใหญ่ท่านก็มีประสบการณ์ท่านก็เข้าใจเรื่องแบบนี้ คเราลืจะ ย, ย่าลืมนะฮะคนอย่างพระพุทธเจ้ายังถูกนางกินจัมมณีกามาโยโยนเลยจะไหวไงพระเยอะไปแม้แต่สมัยพุทธกาลพระระดับพระอาหาวั น, นเนี่ยพระอันนนท์เนี่ยผู้หญิงตามตือจากสาวัตถีไปถึงโกสัมพีนะพระดนก็ต้องหนีแกก็ตามตือตามตือไม่ไหวแกบวชเป็นภิกษุณีตามเลยลุยตามมาจนถึงว่าพระพุทธเจ้าเบรกก็ยังไม่อยู่นะฮะ เปเจ้าเบรกยังไม่อยู่เลยเป็นนางทาสีเป็นลหลงไหลข้างท้ายกับพระนนพระนนทะูุงามมากนะต่เนี้ยคือเราจะถ้าเรามองโดยละเอียดแล้วเนี่ยอย่าไปคิดอย่าไปเชื่อทันทีไม่มีใครที่บริสุทธิ์หมดจดจนไม่ทำชั่วหรอกแต่ น, นอนเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ก็มาจากอาจารย์ผู้ชายแน่นอน แต่ว่าอาจจะมีบางกรณีเ น, นี่ยอาจจะมาจากนักศึกษาเองที่ต้องการผลประโยชน์อย่างอื่นซึ่งเราก็ไม่รู้แต่ว่าสังคมนี่จะเชื่อโดยไม่ได้คิดในแง่ของความเป็นจริงดังนั้นเราจะเห็นว่าในแนวแสดงอิทธิปฏิหารต่างๆเนี่ยท่านจึงไม่ไม่แสดงห้ามแสดงไปเลยเพราะว่าไม่จะเกิดปัญหาดังกล่าวต้องฟังทงังล เสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณในธรรมตงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี